นามยังธรรมานุสตินยักโรุปสีสวากาโตมะขวะตารา ม, ม, มุราธรมเป็นสิ่งดีพระภูมีพระภาคเจได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันติโก เ, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเนองอการิโก เ, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เ, าเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า อันโยมาดูเถิดโอปานะยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ดัวบาจัังเวธิัาโพวิญโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้อันทะมมยังธรรมาพิขีติงกโรมาเสียงสวาคาตาตาด ok ที่คุณโยวาควาเซนาไสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบ ด, ด้วยคุหคือความดีพระกูมีพระภาคยาว อดไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมคาปากาภิริยติวิโมคขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยตและนิพพานธรมโมกุโรกาปะนาตะทาลิธารี เป็นธรรมส่งไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมอยากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมมหังธรรมหารังวรธรรมเมตงังอาบไปเจ้าจว่ายพระธรรมอันประเสริฐ น, นั้นอันเป็นเครื่องข่ายเสียซึ่งความมืด อาโมยโยสัพพานินางสารุณมุตตะมั ง, งไดเป็นสารณานะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยนุสติธานังวันดามิตสิเรณังอาไปเจ้าว่ายพระธรรมนาน อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียรคราวอ า, า, ามัสหาสัมิทาสโวะอามโมเมสามิกิสโระอาะเจ้าเป็นทาทของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระดเหนือข้าพระเจ้า อมโมทุกขาสาักตาจาวิธาตาจหิดาาัสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกและส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธัมมสห้งนิยานเฮมิสาริรันชีวิรันจีทาง อาพระเจ้ากายเทาวายชีวิตนีแด่พระธรรมวันดันโตหังกริสามีหา ม, มาเสวาสุธรรมตามอาพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากพระพุทธรรมซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม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 ด้วยการกราวคำสัต์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาสดาธ า, า, า, ามังเมวันธามาเนนายังบุญยังปสสุดังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าหิวซึ่งพระธรรม ได้ขวัญขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันดารายอาเมมสุงด้สเดชัสาอันดรายทางปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเด็แห่งบุญานาเยนวาจายวาเจตัสหวา ก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีถ้าเมกุกามังบัคคตาเมยายังตาหน้าที่เตียนอันใดที่ข้าพรเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมปฏิกานหาดูอัจเชยัธรรง ขอพรธรรมโยงอดซึ่งโทษลวงเกินอนันตหลันตเรสังวริตุงวะทามีเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป